แล้ห่างกันไปเรื่อยๆอย่างศัพท์โบราณทางอีสานเขาบอกว่าแก้วแก้วก็ว่าแก้วแหวนเงินทองจะเป็นเพชรนินกินดาก็ตามแก้วเขาบอกเพชรนินกินดาทางอีสานเขาบอกแก้วทั้งหมดถ้าแก้วถ้าหากว่าไม่ขัดไม่สีไม่ทําความสะอาด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 ปูชาจะปูชนียานังมงคล38ขึ้นบุคคลก่อนนะเอ่อเสวนาจะบาลนังอย่าคบคนผ่านเนี่ยยาคบคนผ่านจะคบคนชั่วให้คบบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตานันจะเสวนาให้คบบัณฑิตนักปราชญ์ปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชา